สถานีวิทยุของวัดหลวงพ่อกําลั ง, ลงเขากําลังจะทําให้แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้คิดว่าจะทํานุพรเห็นว่ามันยุ่งยากเหลือเกินว่าก่อนที่จะทํามันมีขั้นตอนมีการติดต่อประสานงานแล้วก็เสี่ยงอีกต่างหากหลวงพ่อได้ยินแต่คนตกเสาวิทยุตายหลวงพ่อก็เลยกลัวจะมามีปัญหาเหมือนกันว่าไง ทีนี้ก็เสียบเหล็กจังหวัดเลยเขาทำขึ้นมาเครื่องหนึ่งก็ทำขึ้นมาแล้วเขาก็เอื้อมีประโยชน์นะหลวงพ่อนรับสถานีของหลวงตาในเขตจังหวัดเลยบังสะพงุงแถบแถบนั้นได้ฟังเทศหลวงตาผมเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงเลยว่า้นต่อมาผมจะไปตั้งที่เชียงคานอีกไปเปิดเหมืองแร่ เหล็กที่เชียงคานก็จะไปเปิดจะตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมอีกจักแห่งหนึ่งตรงนั้นเหมือนั้นีี้พอไปเปิดเหมืองแร่แล้วกำลังจะตั้งขึ้นถ้ำผาปูกับเชียงคานไม่ไกลกันวะไหนสถานีของถ้ำผาปูมันก็ควบคุมไปทางเชียงคานไปทางปักชมแถบแถบนั้นได้เลยก็ลยหยุดพอหยุดเขาก็เลยมาบวชที่นี่หลวงพ่อก็เลยบอกว่า อา้าวถ้าลงที่นั่นไม่ได้ก็ลงที่วัดหลวงพ่ อ, นนอก็ได้นินาวะอ้าวก็ได้ทับหลวงพ่อก็เลยเอามาลงที่นี่คงจะไม่สูงเท่าไหร่แล้วมันจะหกสิบเมตรเนี่ยนะกำลังสูงกว่าหนึ่งกิโลเพราะว่าสถานีของหลวงตาวัดป่าบันตาดมันมาชนผูพานอย่างนั้นที่เขาขาดผูพานมันชนมันข้ามไม่ได้แต่กลางคืนพอได้ยินอยู่ กลางวันนึกสึกว่าเสียงบรบกวนมากหลวงพ่อเลยว่าจุดที่เป็นจุดบอดก็น่าจะมีสถานีในหุบเขาน่าจะได้ฟังธรรมพระเทศนาของครูบาอาจารย์ในสี่อำเภอหลวงพ่อว่าะกะนสี่อำเภอนะอําเภอสังคมอําเภอนายุงอําเภอน้ำโสมอําเภอสุวรรณคูหาสี่อำเภอเนี่ยคิดว่าจะ ได้ยินทั่วถึงกันถ้าขึ้นจุดนี้นะเสียงธรรมเสียงธรรมไปที่ไหนไม่เดือดไม่ไม่ร้อนอะ่ะพระธรรมเทศน า, าของหลวงตาที่เปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็มีไม่ใช่พระองค์หลวงตาองค์เดียวมีทั้งหมด27องค์มีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ สิงทองหลวงปู่ชาหลวงปู่คําดีหลวงปู่อ่อนรู้สึกว่าจะครบ27องค์27 28องค์เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราจะนั่งรถไปฟังครูบาอาจารย์คงไม่มีแล้วเพราะท่านจากไปเกือบทั้งหมดแล้วแต่นี้เขาก็เอานําผลงานของท่านบ้างประวัติของท่านบ้างพระธรรมเทศนาของท่านบ้างมาเปิดต่างกลําต่างวาระ ถ้าพวกเราที่เป็นลูกหลานอยากจะศึกษาพระกรรมาฐานพระป่าสายหลวงปู่มั่นพวกเราก็จะได้เปิดฟังบางทีอาจจะได้เจอองค์หนึ่งแสดงธรรมบางครั้งก็จะได้องค์หนึ่งแสดงธรรมแต่ก็เอาหลวงตามหมาบัวเป็นหลักองหลวงตาประมาณชนะักหถึงเจเซนะก็นอกนั้นก็เอาครูบาอาจารย์องค์อื่นเข้ามาแทรกเข้ามาบ้างนะ แต่บางครั้งบางวันก็มากกว่านั้นอันนี้ก็สถานีของหลวงตาหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์นะร้อยสามจุดสองห้า fm fm ร้อยสุดสองห้าแต่ของหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้จะมันจะขึ้นมันจะได้อย่างไรเราต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งบางครั้งมันก็ชนกับของคนอื่นมันกันนะแต่ไม่รู้จะลงได้ตรงไหนอย่างไร หลวงพ่อคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์เขาคงจะรับของหลวงตานั่นแหะแต่ก็พร้อมกันก็เขาก็ถามเหมือนกันว่าจะประกาศได้ด้วยไหมหลวงพ่ออืมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าการประกาศในหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดไม่ได้เน้นหนักอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามีเมื่อมีคราวจําเป็นเมื่อครั้งจาเป็นคราวจําเป็นเราจะได้ประกาศในถิ่นนี้ในท้องถิ่นของเราแล้วก็ประกาศจ้ะจุดนั้น ทำให้จำเป็นแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาตลอดไปทําไมนั้นร้องลําทําเพลงมนะันไม่มีแล้วว่างั้นเ่อะกิวอาจะให้มีแต่เสียงธรรมะก็คงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อชุมชนสังคมอะไรหรอกก็ว่าการดูแลก็คงจะให้พระเป็นผู้ดูแลใช้แบบระบบอัตโนมัติคงจะเปิดตลอดไปแล้วก็ แล้วก็มันถึงเวลามันก็คงจะปิดเองลักษณะอย่างนั้นน่ะปิดเองเปิดเองโดยอัตโนมัติน่ะเพราะเขาทำกันอย่างนั้นแต่ ว, ว่าข้าวไฟนะนะข้าวไฟในปัญหามันกันนะข้าวไฟนี่แพงนะเดือนนึงมันต่ำหกเจ็ดพันบาทถ้าหนึ่งกิโลวัตต์นี่นะประมาณหกหรือเจ็ดันบาท่ต่อนหนึ่งเดือนนะแต่จะว่าคุ้มค่าไหมเกินคุ้มว่างั้นแหอเพราะว่า ้าว่าธรรมะเข้าไปอยู่นะสถานที่ใดทินใดความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดในชุมชนและสังคมนั้นถ้าสังคมใดก็ตามห่างเหินจากศีลธรรมหันหลังให้ทำธรรมะคือหลักเหตุผลถ้าว่าใครๆไม่ยอมรับหลักเหตุผลพูดตรงพูดด้วยเหตุด้วยผลและไม่ยอมฟังกันหันหลังให้หลักเหตุผลหันหน้าต่ อ, อธรรม ทั้งคดทั้งโกงทั้งปน่นทั้งจี้ทั้งเออทั้งเบียดทั้งบังอย่างว่าบุคคลนั้นเก่งอสังคมชุมชนสังคมว่าเออคนนี้เป็นฮีโร่ว่ะขนาดโกงได้ขนาดนี้ขนาดคดขนาดได้ได้ขนาดนี้เบียดบังไ ด, ได้ขนาดนี้เอคนนี้เก่งมากเกฎหมายเขาไม่ถึงเลยถ้าชุมชนสังคมเชิดชูบูชา คนที่มีธรรมในใจแล้วน่นะความเดือดร้อนวุ่นวายมีแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าว่าคนหันหลังข้อสู่หลักธรรมถ้าใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกยอมรับเหตุและผลในการประพฤติปฏิบัติแล้วชุมชนสังคมก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นหลักธรรมหลักธรรมะเนี่ยเป็นหลักเหตุผลคือหลักถูกต้องคือหลักกฎหมายการปกครอง ต้องมีเหตุมีผลเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงผลเป็นยังไเหตุมาเป็นยังไงมันต้องมีเหตุมีผลเดียก่อนถ้ามีเหตุเดียก่อนถ้าเหตุดีผลมันก็ดีถ้าเหตุชั่วะจะผลดีได้ยังไงมันก็ต้องชั่วลผลมันออกมาจากเหตุทำมากเคือเหตุดีแนะนำใจทำาให้ใจมีคุณภาพใจให้มีคุณธรรมใจให้มีศีลธรรม ให้มีคุณธรรมในจิตใจถ้าใจมีคุณธรรมแล้วจะพูดออกไปก็เป็นธรร ม, มจะทําอะไรออกไปก็เป็นธรรมเพราะใจเป็นธรรมถ้าใจเป็นกิเลสดูในเต็มหัวใจโลภก็อยู่ในหัวใจโกรธก็อยู่ในหัวใจหลงก็อยู่ในหัวใจรักก็อยู่ในหัวใจปล่อยออกไปทางกาย <c oughs> ก็ไปทางกิเลสผักดันออกไปพูดออกไปก็ผัก เป็นคำพูดที่พักดันออกไปจากใจเหมือนกันใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอยู่ที่ใจเนี่ยเพราะนั้นธรรมะอบรมใจอบรมหัวหน้าอบรมใจทาใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยถ้าหัวหน้าไม่ดีเสียอย่างเดียวเท่านั้นส่วนอื่นจะไปคิดว่ามันจะดีนะตรงหัวหน้าไม่ดีแล้วหัวหน้าพาเป๋แล้วหัวหน้าพายชั่วแล้วลูกน้องก็ชั่วไปด้วยเหมือนกับคน โมโหขึ้นมาแล้วเอพูดออกไปก็บินจะด่าคนเอเวลาจะเราก็เตะคนตีคน เ, เพราะอะไรเพราหัวหน้าใจมันมีอารมณ์โกรธอยู่ในใจมันปล่อยออกไปทางวาจาก็ด่าคนปล่อยออกทางกายก็ทําร้ายคนเพราะเห็ุไรเพราหัวหน้าไม่ดีถ้าหัวหน้ามีสินมีทำแล้วหัวหน้ามีเหตุมีผลหัวหน้าเยือกเย็นเอหัวหน้ามี ทำในจิตใจแล้วการกระทำออกไปก็เป็นธรรมการพูดออกไปก็เป็นธรรมเพราะนั้นหัวหน้าในสำคัญนะอรภรณ์นตนะตีนีนาะณโมทนาให้พร